ที่ประเทศพมา่าก็สร้างเป็นพระเครื่องขนาดเล็กนะหรือจะสร้างเป็นพระเครื่องขนาดใหญ่ถ้าเป็นพระเครื่องขนาดเล็กมักจะเรียกกันว่าพระบัวเข็มเป็นรูปพระเทลานั่งก้มหน้าเหตุที่เรียกพระบัวเข็มก็เพราะว่ารูปของท่านมีใบบัวคลุมอยู่บนศีรษะและมีเข็มตุ้มปักอยู่ตามหัวไหล่ตามเข่าหลายแห่งเรื่องเข็มนี้ พระสุเมธาจายนนามเดิมว่าสีแห่งวัชนะสงครามกล่าวไว้ว่าเดิมเป็นช่องสําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของผู้เทตเจา้าด้วยเข้าใจว่าพระอุบคุตตะเถระเป็นผู้รักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้ให้พ้นจากอันตรายแห่งพญามารกนะ็ก็ทําเป็นเจาะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตนะุเพราะว่าชีวบัตรท่านป้องกันพระธาตุไวจ้จริงๆ แต่เดิมคงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวในผราบัวเข็มตรงที่มีเข็มตุ้มปักไว้จริงขั้นภายหลังคงจะหาพระบรมสารีริกธาตุได้ยากจึงต้องจึงเลยกระทำเป็นตุ้มปักไวให้เป็นเป็นให้เป็นเพียงสัญลักษณ์หรือล่องลอยไว้เท่านั้นเองส่วนฐานรองนั้นก็เป็นดอกบัวคว่มดอกหนึ่งดอกบัวหงายดอกหนึ่งใต้ฐานก็มีรูปดอกบัวหรือใบบัวหรือเต่า ปลาปูเป็นต้นเพราะว่าท่านอยู่ใต้ใต้ทะเลท่านไปนเะรมิตเนรมิตกุฏิไว้ใต้ทะเลเขาพูดกันว่าจาพรรษาที่ใต้ใต้สะดือทะเลว่าอย่างนั้นบางทีก็มีรูปลักษณะนะว่าเป็นรูปนั่งมือถือดอกบัวด้านหลังของท่านเป็นรูปเสียนช้างก็หมายถึงตอนที่ท่านแสดงฤทธิ์อธิษฐานจิตให้ช้างตกมันของพระเจ้าอาโศกอ่ะร่างกายแข็งเป็นหิน แล้วก็มีขนดหน้าขนดงูขนดหอยเป็นสัญลักษณ์ว่าท่านจำศีลอยู่ใต้มหาสมุทรอีลักษณะหนึ่งนะเขาหรือแกะสลักหรือจะปั้นก็นแล้วแต่เป็นรูปพระเถระนั่งแงนหน้านะที่พระบ้านจะมีมากเลยนั่งแงนหน้ามือซ้ายเนี่ยอุ้มบาทมือขวากำลังจกบาทคือกำลังกลังกำลักลังกำลังกำลังกนะนะำลังกำลังกำลัง มือพี่จะเปิบเปิบข้าวเข้ามาอาการที่ท่านนั่งแงนหน้านั้นเป็นลักษณะที่บอกให้รู้ว่าผู้มีศัตรูย่อมอยู่ไม่สงบสุขคือถ้ามีศัตรูแล้วเนี่ยเราจองเวรกับใครโกรธใครรู้ว่าใครเขาโกรธเราแม้กินข้าวก็ไม่สงบสุขนะบางคนต้องปิดประตูกินข้าวก่อนบอกเปิดไม่ ไ, มได้เดี๋ยวเราไม่ระวังตัวใครเขาจะมาทำร้าย เพราะนั้นอย่าไปมีศัตรูกับใครซะเลยก็คืออย่าได้ไปประพฤติผิดศีลห้ากับใครอย่าได้มีความพยาบาทโกรธเคืองใครอันนี้ความเคารพนับถือพระอุปคุตตเถระนี้มีทั้งพมา่าทั้งมอญทั้งไทยถือกันว่ามีฤทธานุภาพในด้านให้เกิดสักการะร่ำรวยและให้ปลอดโปร่งจากอุปสรรค รอดพ้นจากศัตรูและพยันอันตรายแก่ผู้ได้กระทาสักการะบูชาและเป็นอย่างนั้นนะก็เอาเอาประวัติของท่านมาว่าเพราะว่าท่านนมีฤทธิ์มากเราบูชาท่านแล้วท่านจะได้คุ้มครองเราทําให้เราปราศจากศัตรูหรือชนะศัตรูเหมือนกับที่ท่านชนะพญามารและจะทําให้ท่านเกิดลาบทําให้ให้เราได้เกิดลาบสักการะร่ํารวยยิ่งใหญ่ขึ้นมานี่ก็ สำหรับคำว่าพระอุปคุตนั้ น, นมีความหมายว่าผู้มีความคุ้มครองมั่นคงนะผู้มีความคุคค้มครองมั่นคงก็คงจะได้กล่าวประวัติของท่านไปในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุเคราระห์ศาสนานช่วยเหลือศาสนาเอาไว้พอสมควรนะความจริงประวัติของท่านก็ยังมีอีกประวัติของท่านนี่ ที่รวบรวมไว้ในคำพีอโศกอวทาร ว, ว่าพระอุปคุตนี mm hmm. ้เกิดในตระกูลพานิชณ์ณเมืองมัทุลาอันเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยมุนามีพี่น้องร่วมคันบานดาเดียวกันสามคนคือมีพี่ชายสองคนรวมท่านอีกเป็นสามคน mm hmm. บิดานั้นเป็นพ่อค้าเครื่องหอมเดิมบิดาของท่านให้สัญญากับพระารนาวาสี ไว้ว่าถ้าตนมีลูกเป็นชายก็จะให้บรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาเมื่อภรรยาคลอดลูกคนแรกเป็นชายก็ไม่ยอมถวายอ้างว่าเอาไว้ดูแลทรัพย์สินขอบอกข อ, ขอผลัดไปว่าเป็นลูกคนที่สองแล้วกันค่อยบวชแต่พอคลอดลูกคนที่สองก็พูดอีกว่าต้องเอาไว้วิ่งเต้นเก็บหนี้เก็บสินเข้าตามหัวเมืองรองไว้มีลูกคนที่สามก็แล้วกันในที่สุดก็ครอบลูกคนที่สามนะ มีลักษณะงดงามจึงตั้งชื่อว่าอุปคุธแต่ว่าก็ไม่อยากให้อีกละทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ท่าภาษานวาสีพิจารณาดูแล้วว่ายังไม่ถึงเวลาก็นิ่งไว้จนเจริญเป็นหนุ่มแล้วนะปิดาให้ช่วยดูแลขายเครื่องหอมในในร้านที่ตลาดเนี่ยเหตุการณ์ก็ปรากฏว่าขายดีเหลือเกินนะผู้คนมาหาซื้อกันไม่ขาด ภาษาณวาสีก็มาที่ร้านนี้แล้วก็ก่าวท ร, ร ม, มกถาฟังแล้วก็พระอุปคุตบานพเนี่เกิดความสลดสังเวชได้เป็นโสดาบันเห็นว่าภาษาณวาสีเห็นว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนี่ยังไงก็มีจิตศรัทธามั่นคงจึงไปทวงสัญญาไว้กับบิดาของพระอุปคุตนี่แหละเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยต้องอนุญาต เมื่ออนุญาตแล้วมาบวชก็เลยเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่มีกล่าวเอาไว้ในคำพีที่เรื่องอาโศกอวตารนะอาโศกอวตารนะ ก, ก็เป็นเรื่องที่เรา <c oughs> ได้ทราบว่าคนดีเนี่ย ก็จะช่วยอนุเคราะห์แก่สิ่งที่ดีงามเช่นพระรัตนใจแล้วก็ช่วยกำลาบคนชั่วด้วยอย่างเช่นพระอุปคุตเนี่ยให้คนชั่วนั้นเปลี่ยนเป็นคนดีได้เช่นพยามารเนี่ยแล้วก็เป็นคนดีอย่างที่สุดด้วยคือตั้งความปรารถนาเป็นคนดีอย่างที่สุดเลยคือเป็นพระพุทธเจ้าเลยอันนี้เป็น เป็นเพราะความสามารถของท่านทําให้เราได้มีพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นมาอีกหนึ่งองค์ก็เป็นอันว่าเรื่องของพระอุปคุตเถระในส่วนที่เกี่ยวกับการฉลองพระมหาวิหารออพระมหาเจดีย์และฉลองพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยก็ได้จบสิ้นลง ต่อไปนี้ก็จะขอกล่าวถึงคาถานะคาถาที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นนั่นแหละถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้แล้วในเรื่องของการสอนตนเองนะเรื่องของการสอนตนเองว่าถ้าหากว่าบุคคลเนี่ยจะสอนผู้อื่นแล้วแล้วก็ ควรที่จะตั้งตนไว้ในคำสอนนั้นเสียก่อนไม่ใช่ว่าสอนเขาแล้วตัวเองไม่ยอมทำหรือตัวเองทำไม่ได้ทำตรงกันข้ามอันนี้ไม่ควรจะไปสอนเขาควรจะตั้งคุณธรรมในตนเองซะก่อนเมื่อตั้งได้แล้วไปสอนเขานั่นแหละจึงจะถูกต้องเพราะเหตุอะไรเพราะว่าตนเองนั้นสอนได้ยาก คือฝึกฝนได้ยากใ้การสอนคนอื่นเนี่ยเราไม่ต้องรับผิดชอบคือสอนไปแล้วก็หมดเรื่องกันเขาจะทําได้ไม่ได้เนี่ยเราไม่รู้ด้วยเราเพียงแต่นําเอาคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทรงจําไม่ได้อาไปบอกให้ถึงให้ถึงหูเขาก็แล้วกันก็เป็นอันจบเราไม่ต้องไปรับรู้ด้วยว่า เขาจะทําได้หรือไม่ได้แต่ที่สําคัญก็คือว่าเราสอนไปแล้วเนี่ยถ้าคนนั้นเนี่ยคนที่เขารับคําสอนของเราแนละ้วเขาพิจารณาว่าคนที่สอนนี่ไม่ทําไม่ได้ทําตามเลยเขาก็จะไม่เชื่อถือนะเขาก็จะไม่เครารพนับถือหรืออาจจะตําหนิติเตียนเราซะด้วยซ้ําว่าดีแต่เที่ยวสอนคนอื่นเท่านั้นลนะ่ะ ทำไมตนเองอ่ะไม่ทำล่ะก็ในเมื่อคาสอนเนี่ยมันเป็นของดีเป็นของมีประโยชน์แล้วเราทำไมไม่ทำาพรา ะ, ะนั้นพรเจ้าจึงบอกว่าควรจะตั้งตนไว้ในคาส อ, น, อนนั้นน่ะให้มีคุณธรรมความดีตามคาสอนนั้นเสียก่อนนะแล้วค่อยไปสอนผู้อื่นเขาไม่ใช่สอนสอนแล้วก็เลิกกันไม่เกี่ยวด้วย ฉันไม่เกี่ยวฉันก็ทำอะไรอ ย, อย่างที่ฉันอยากจะทำตามอำนาจกิเลส ข, ของฉันนั่นแหละอันนี้อันนี้ไม่ไม่ควรทาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ทาแล้วนะทำเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแล้วจึงได้สอนพระองค์ได้สอนตัวพระองค์เองจนจนหมดที่จะสอนนะ่ะ คือที่ยังต้องสอนอยู่เนี่ยหมายความว่าเรายังมีกิเลสอยู่ไม่ยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องมีการสอนให้กิเลสเนี่ยมันหมดไปจากใจเราให้ได้คือให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาแทนที่นะปัญญาเนี่ยมันมีกำลังขึ้นมาแทนที่แล้วมันก็จะกำจัดกิเลสเนี่ยได้หมดสิน้นพูดง่ายๆว่าตัวสอนจริงๆนี่คือตัวปัญญา เราว่าปัญญามันเป็นธรรมชาติที่รู้แจ้งในสภาวะธรรมทั้งปวงคือคือคือเท่ากับว่าไอตัวปัญญาเนี่ยมันมั น, ม, นมันรู้จักมันรู้จักความจริงทั้งปวงนั่นเองว่าอะไรเนี่ยเป็นประโยชน์แท้จริงอะไรเนี่ยเป็นโทษแท้จริงเพราะนั้นเมื่อมันรู้ สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นโทษแท้จริงแล้วไอ้โทษเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้นะไอ้โทษที่มันจะหลบอยู่ในใจล้วเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แน่นอนเลยแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะต้องมาปรากฏแก่จิตใจนั้นล่แหละตัวปัญญานะเป็นตัวสอนเป็นตัวสอนใครอะ่ออนะก็สอนจิตนะสอนจิตแล้วก็สอนไอ้กิเลสที่มันเคยเกิดร่วมกับ จิตนั่นแหละว่าตัวเจ้าเองนั่นแหละนะมันเป็นตัวที่มีโทษมีอันตรายนำความทุกข์มาให้อยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จิตที่เคยหลงเชื่อกิเลสมันก็ไม่เชื่อแล้วเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าปัญญาเนี่ยเป็นผู้แนะนำอันประเสริฐนะเราทั้งหลายฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ไม่ได้ฟังไปเพื่อให้เกิดความสนุกสนานหรือเกิดเหตุประโยชน์อะไรอย่างอื่นเลยเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้เพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอันตรายที่สุดก็คือความไม่รู้ได้แก่โมหะไอ้สิ่งนี้แหละไอ้สิ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าโมหะนี่แหละถ้ามันยังอยู่ในชีวิตเรามันจะสอนเราไปเรื่อย มันจะสอนเราไม่มีสิ้นสุด่ะเราก็จะเชื่อมันไอ้เราไอ้นี่หมายถึงใจนะมันมันก็จะสอนให้เราอยากได้อิจฉาทิษยาเหมือนดังพญา ม, มารนั่นแหละคือก็ไม่รู้ว่าไอ้ความอยากระนำทุกมาให้ไอ้ความหลงเนี่ยไอ้โมหามันบอกว่าดีก็เชื่อมันไปเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลพร่ำสอนผู้อื่นอยู่ชั้นใด พ, ตตนพึงทาตนชั้นนั้น บุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้วหนอจึงควรฝึกผู้อื่นเพราะว่าได้ยินว่าตนฝึกฝนได้โดยยากาสำหรับเรื่องนี้ก็มีเรื่องที่ผู้เจ้าได้ปรารลถึงท่านพระประธานิกะติสสะเถระว่าพระเถระองค์นี้นะเรียนพระกรรมฐานในสำนักของผู้เจ้าแล้วก็พาพระภิกษุห้าร้อยรูปไปจำพรรษาในป่าพระปรธานนิกะติสสะเถระเนี่ยก็สอนว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านเรียนพระกรรมฐานในจำนักของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเบื่อชนอยู่จงเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณธรรมเถิดดังนี้แล้วตนเองก็ไปนอนหลับไปนอนหลับไม่ทำแต่ก่อนจะไปนอนสอนเขาซะก่อนว่าอย่าประมาทภิกษุเหล่านั้นก็จงกลมนะเดินจงกรมในยามต้นแล้วก็เข้าไปสู่วิหารในยามกลาง พระปธานิกะติดสะเถระก็มาหาพระภิกษุนี้อีกนะเพราะว่าตนหลับไปแล้วเนี่ยหลับไปซะแล้วได้ได้ได้แรงมาแล้วก็ลุกมาใหม่อีกพวกท่านมาทำไมจะมาหลับนอนหรืออย่าเลยจงรีบไปทำสมณธรรมเถิดนะเขาจะมาเขาจะเข้ามาในยามกลางเขาจะมาที่ที่ที่ทวิหารหรือที่กุฏิตัวเองตื่นขึ้นมาก็บอกให้เขาไปปฏิบัติและตนเองก็ไปนอนอีกภิกษุก็ต้องไปเดินจงกรมอีกนะ ออกไปจากกุฏิออกไปจากวิหารในมัชชิมยามคือยามกลางไปเดินอีกสี่ชั่วโมงก็จะกลับมาตอนยามสุดท้ายพระเทระตื่นอีกแล้วนะหลับไปได้4ี่ชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็เดินมาที่พระภิกษุเหล่านั้นอยู่นำพระภิกษุออกจากวิหารออกจากกุฏิอีกสั่งให้พระภิกษุปฏิบัติไม่ประมาทแล้วตนเองก็ไปนอนหลับเสีย เมื่อพระเถระนั้นกระทําอยู่อย่างนี้บ่อยๆเข้าภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถจะทําการสาธยายหรือทํากรรมฐานไว้ในใจได้เอาแล้วไม่สามารถจะสาธยายเกสาโลมานัขาทันตาตจโจได้หรือจะกําหนดวิปัสนารูปนามว่ามีลักษณะอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้ซะแล้วได้ถึงความฟุ้งซ่านแห่งใจแล้วเพราะว่าพอจะมาพักหน่อยก็โดนโดนพระเถระ ปธานิกะเนี่ยบอกให้ไปปฏิบัติอีกพิกษูเหล่านั้นจึงปรึกษากันว่าอาจารย์ของพวกเราปาราบความเพียนเหลือเกินนะพวกเราจะคอยจับดูท่านบ้างนะครับอาจารย์นี้พูดแต่ว่าเพี้ยรทำเพียรทา เ, เมื่อคอยจับอยู่ก็เห็นว่าพระเถระนั้นไปนอนหลับแล้วก็ตื่นมาสอนพิกสุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพวกเราเนี่ยชิบหาย็จแล้ว อาจารย์ของพวกเราเนี่ยย่อมล้องไปเปลา่ปลาๆคือสอนไปเปลา่ปลาๆท่านนั้นเองไม่ได้ทําเลยบรรดาภิกษุเหล่านั้นลำบากอยู่เหลือเกินแม้รูปเดียวก็ไม่ได้บังเกิดคุณวิเศษให้บงังเกิดให้ไม่ไม่ได้ทําคุณวิเศษให้เกิดเลยมันมันเพียรมากไปนะ อ, อะไรก็เดินกันทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นเมื่อออกพรรษาแล้วไปสู่สำนักของพระาศาสดาเมื่อพระาศาสดาทรงมีพระปฏิสันถานแล้ว ตัดถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณธรรมอยู่หรือภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลเรื่องทั้งหมดพระศ า, าสดาตัดว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้นี้ได้ทำอันตรายแก่พวกเธอไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในอดีตการภิกษุผู้นี้ก็ได้เคยทำอันตรายแก่พวกเธอเหมือนก่อนแล้วก็ได้กล่าวชาดกนะอากาละละกุกุตะชาดกให้พิสดารว่า ภิกษุคือพระปฏิปทานิกะติดสารในไปเกิดเป็นไก่แล้วมันขัดไม่เป็นเวลานะก็ใครนอนโดยไปได้หน่อยเดี๋ยวก็ตื่นล้นึกว่าเช้าตื่นขึ้นมาแล้วอ้าวไม่ช่ช้าอีกแล้วอ้าวต้องไปนอนใหม่อีกอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องหลับกันทั้งวันอ่ะไม่ต้องหลับกันทั้งคืนะได้กล่าวความโดยพิสดารแต่ในที่นี้จะกล่าวโดยย่อว่าไก่ตัวนี้เติบโตแล้วในสำนักของผู้มิใช่มารดาและบิดา อยู่ในสกุลแห่งผู้ไม่ใช่อาจารย์จึงไม่รู้จักเวลาหรือไม่ใช่เวลาคือพระคลอดออกมาเป็นลูกไก่เนี่ก็มาอยู่ในบ้านเลยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่คือพ่อแม่เนี่ยจะขันเป็นเวลาเพราะฉะนั้นไก่ตัวนี้เมื่อโตขึ้นมาเนี่ยไม่รู้่ะเวลาเช้าหรือ ย, อยังควรจะขันเนี่ไม่ไม่รู้แล้วขันอุตลุดหมดนะดังนี้แล้วจึงตัดว่าพิสูจน์ทั้งหลายอันธรรมดาภิกษุเมื่อกล่าวสอนคนอื่นพึงทําตนให้เป็นอันทรมานดีแล้ว นะคือต้องทรมานตนเสก่อนเพราะบุคคลเมื่อกล่าวสอนอย่างนั้นเป็นผู้ฝึกดีแล้วชื่อว่าย่อมฝึกได้นะโดยคาถาก็อัตตานันเจตถาการีรามแปลว่าถ้าบุคคลพร่ำสอนผู้อื่นอยู่ชั้นใดพึงทําตนชั้นนั้นบุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้วหนอจึงควรฝึกผู้อื่นเพราะว่าได้ยินว่าตนเองนั้นฝึกฝนได้โดยยากอันนี้เป็นเรื่องจริงนะตัวเราเองเนี่ยมันฝึกยากที่สุดเลย เพราะอะไรล่ะเพราะไอ้กิเลสมันรักรักตัวมันเองเฮ้ยอย่าไปให้มันหมดไปเลยกิเลสเนี่ยนะยังไงก็ให้มันอยู่ไปเถอะให้โลภะไห้เห็นแก่ตัวเนี่ยไม่เอานะกลัวกลัวกิเลส จ, จะหมดนะกิเลสมันก็รักกิเลสใช่ไหมเราเห็นว่ากิเลสเป็นตัวเราเนี่ยไอ้โลภะเนี่ยมันของเราไอ้ความเห็นผิดว่ามีตัวตนเนี่ยของเราไอ้มานะเนี่ยของเรามันคิดอย่างนี้น่ มันก็ไมอยากให้หมดนะทีมันก็ไม่อยากฝึกแต่ถ้าคนใดเนี่ยมันรู้แต่ละกิเลสเนี่ยมันศัตรูตัวร้ายเลยนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะอย่าไปเห็นแก่มันนะอย่าไปเชื่อมันนะว่ามันว่ามันจะให้ความสุขมันไม่ให้หรอกมันให้แต่ทุกข์อ่ะถ้าอย่างนี้แล้วก็มันจะได้เต็มใจฝึกตัวกันให้เต็มที่ฝึกตัวก็ฝึกฝึกใจนั่นเองอ่ะแล้วเอาอะไรฝึกล่ะเอาปัญญาเนี่ยเป็นหลัก เนื้อความในพระคาถานี้มีความหมายว่าภิกษุที่กล่าวสอนว่าพึงเดินจงกรมในปฐมพยายามเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่ากล่าวสอนผู้อื่นถ้าสอนแล้วตนเองก็ต้องเหมือนกันต้องไปอธิษฐานเดินจงกรมเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าทำตนเหมือนอย่างที่สอนผู้อื่นนะเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นก็เป็นผู้มีตนฝึกดีแล้วคือควรฝึกบุคคลอื่นได้เพราะว่าตนเองก็ฝึกตัวเองด้วยส่วนภิษุ พิกษุผู้ย่อมพร่ำสอนผู้อื่นด้วยคุณอันใดเป็นผู้ฝึกฝนดีแล้ ว, ด, ว, ด, วด้วยตนด้วยคุณอันนั้นจึงควรฝึกผู้อื่นก็มีความหมายเดียวกันคือเราฝึกตัวเองด้วยศีลดีอย่างไรสมาธิดีอย่างไรเนะมตตาดีอย่างไรแล้วค่อยไปสอนเขานะเพราะว่าชื่อว่าตนตนเองนั้นเป็นสภาพอันบุคคลฝึกฝนได้ยากนะมันฝึกยากกับตัวเรา เมื่อพิกษุ5 0ห้าร้อรูปเนี่ยฟังแล้วก็เลยได้บรรลุเป็นพระอรหัตตผลนะตอนที่ไปทำอยู่ในสำานักของพระท่าน ป, ประทานิกะติสะเทลาเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกได้ได้เดินกันเมื่อยเลยนะจิตมันฟุ้งซ่านกิเลสมันเกิดเยอะที่พอฟังวัพุทธเจ้าเท่านั้นแหละก็ระลึกถึงกรรมฐานเก่าที่ตัวเองทำก็สามารถพิจารณาเห็นแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยโดยอาศัยคาสอนอันนี้ เพราะนั้นเนี่ยเป็นหลักอันหนึงว่าไอ้คนไม่ได้เรื่องเนี่ยมันมันมันก็มันก็สอนคนได้นะคนคนไม่ได้เรื่องเนี่ยคนประมาทเนี่ยสอนคนให้ไม่ประมาทได้ไม่ใช่ว่าจะต้องคนดีเท่านั้นจึงจะสอนคนคนให้ดีได้คนให้ทําดีได้ไม่ใช่หรอกเราลองไปจําคําสอนของผู้เดียเจ้าได้แล้วก็ไปเที่ยวสอนใครต่อใครได้เพราะว่าคําสอนนั้นเป็นของดีแต่ตัวเราที่ที่จำคำสอนไม่แน่พยายามทำได้ เพราะนั้นอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญว่าควรจะฝึกตนเองก่อนคนอื่นเอาไว้ทีหลังเหมือนดังพระเถระพระมหากัตสปะเถระนี่แหละเป็นบุคคลที่ทำตามคำสอนทาตามคาถานี้เลยนะคือท่านฝึกตัวท่านเองก่อนนะท่านฝึกตัวท่านเองแล้วเนี่ยท่านจึงไปสอนนะเห็นได้อย่างไรก็เห็นได้จากประวัติของท่าน โดยเฉพาะตําแหน่งที่ท่านได้คือท่านสมาทานทุดงและสารเสริญทุดงนี่ท่านฝึกตนเองอย่างนี้แล้วก็กล่าวสอนทุดงสารเสริญทุดงให้ภิกษุสามเณรใ น, นพุทธบริษัททั้งหลายฟังคือท่านทําได้แล้วโดยบริบูรณ์แล้วจึงจึงไปกล่าวสอนผู้อื่นนี่ท่านเป็นพระเถระ ท, ที่ที่ตรงกับพระคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เลย แล้วโดยประวัติของท่านเนี่ยท่านก็ออกบวช ด, ด้วยจิตใจของท่านเองนะด้วยปัญญาของท่านเองเมื่อออกบวชมาแล้วมาพบพระพุทธเจ้ารับโอวาทแล้วก็ปฏิบัติเองเลยปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเองเป็นเวลาแปดวันจึงได้เป็นพระอรหันต์ทีนี้เราจะรู้จักพระเถระได้ดีได้ทราบซึ้งก็จะต้องรู้จักคําสอนของท่าน พระมหากัรสปะเทระเนี่ยได้กล่าวคาถาเอาไว้นะเป็นคำสอนที่ท่านได้สอนพระอื่นๆนะเกิดจากคุณธรรมภายในใจของท่านจริงๆที่ท่านมีอยู่แล้วจริงๆเลยเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยสอนอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็สอนอย่างนั้นไม่เปลี่ยนนะ พระมหากัสสปะได้กล่าวคาถาไว้ซึ่งมีผู้รวบรวมไว้นะว่าผู้มีปัญญาเห็นว่าไม่ควรอยู่คลุกคลีด้วยหมูเพราะเป็นเหตุทําใจให้ฟุ้งซ่านได้สมาธิโดยยากคนมีปัญญาแล้วจึงจะเห็นไล่ว่าการอยู่คลุกคลีกับคนต่างๆเนี่ยมันไม่สมควรนะ ทำไมไม่สมควรนะใจมันก็จะฟุ้งซ่านไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเขาด้วยโลภะนะด้วยความยินดีด้วยความพอใจอยากได้เพราะฉะนั้นจะไม่ได้สมาธิโดยง่ายคือจิตมันจะไม่เป็นสมาธิการสงเคราะห์ชนต่างๆเป็นความลาบากดังนีนะ้คือการที่จะไปช่วยเหลืออนุเคราะห์คนนะเป็นเรื่องลาบาก เพราะมันต้องไปคุกคีแล้วก็ต้องพูดต้องกล่าววาจา ม, มากแล้วก็ลําบากด้วยว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้รับเขาไม่ได้อยากรับคําสอนเขาเป็นคนที่อยากจะได้อย่างอื่นแต่เราไปให้คําสอนเขาบางทีเขาก็เขาก็ไม่ได้ต้องการรับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปสอนคนอื่นเนี่ยจะต้องมีความกรุณามากนะ เพราะมันเป็นเรื่องความลําบากของตัวเองที่จะต้องมาพิจารณาดูว่าผู้รับเนี่ยเป็นอย่างไรผู้ที่จะฟังทำเนี่ยเป็นอย่างไรเวลานี้สมควรจะพูดหรือยังจะพูดเรื่องอะไรให้เขาเกิดความสลดสังเวชได้หรือยังเนี่ยมันเป็นเรื่องลําบากต้องทุ่มเทต้องสละประโยชน์ตนเองออกไปแต่บุตรเจ้ากบอกบุคคลไม่ควรพร่าพร่ประโยชน์ตนเองแม่น้อยเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแม่มาก ถ้าบุคคลเห็นประโยชน์ตนเองแล้วก็ควรขวนขวายในประโยชน์ตนเองอย่างเนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นความลําบากดังนี้นะการสงเคราะห์ชนต่างๆเนี่ยจะไปเที่ยวช่วยเหลือเขาเนี่ยมันลาบากอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าไปเที่ยวช่วยเรื่องอื่นๆนะนะโอ้โหลําบากมากเลยนอกจากเรื่องธรรมะนะไม่เชื่อเราลองดูก็ได้ลองไปสมัครเป็นผู้แทนดูก็ได้แล้วจะรู้ว่ามันลําบากแค่ไหนไอ้ปัญหาของมนุษย์เนี่ยมันเยอะแยะแค่ไหน แล้วเราจะต้องไปช่วยเขาเนี่ยให้ได้สําเร็จตามความปรารถนาของเขาเนี่ยมันยุ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าการสงเคราะห์ชนต่างๆเป็นความลําบากดังนี้จึงไม่ชอบใจหมู่คณะนี่เป็นคําสอนของท่านนะสอนแก่พระภิกษุ ท, ที่เป็นสัตธิวิหาริษของท่านเป็นลูกศิษย์ของท่าน น, ะ น, กา น, นะนักปราชญ์คือผู้มีปัญญาไม่ควรเกี่ยวข้องกับตระกูลทั้งหลาย ตระกูลก็คือชาวบ้านเพราะชาวบ้านเขามีสกุลใช่ไหมานามสกุลไม่เหมือนกันเพราะเป็นเหตุทําใจให้ฟุ้งซ่านได้สมาธิโดยยากไม่เชื่อก็อลองดูก็ได้ลองเข้าไปทั้งห้าบ้านเนี่ยนะเราเข้าไปนั่งฟังเขาบรรยายเรื่องคนในบ้านเขาให้ฟังเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหทําไมมนุษย์มันมีเรื่องอะไรมากเหลือเกินเนี่ยเรื่องทุกข์ยากเรื่องไม้น่าจะมีก็มีเนี่ยไม่มันมีมากเหลือเกินเป็นอย่างนั้นนะ่ะ ทำให้ใจเนี่ยมันไม่มีสมาธิเพราะท่านยกย่องสมาธินะตอนนี้ท่านพูดถึงว่าถ้าเผื่อเราไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วเนี่ยใจมันก็จะไปเกิดความฟุ้งซ่านไปกับเรื่องของเขาเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นอยู่กันด้วยอะไรเขาเป็นอยู่กันด้วยกามกิเลสอยู่กันด้วยกา ม, มะคุณอยู่กันด้วยความเกี่ยวข้องความรักความผูกพันความห่วงใยเราไปฟังแล้วมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วสมาธิมันจะมาได้ยังไง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตระกูลนั้นย่อมต้องขวนขวายในการเข้าไปสู่ตระกูลคือเกี่ยวกันด้วยความชอบใจด้วยโลภะเนี่ยเมื่อเราชอบใจบ้านนี้ตระกูลนี้เราก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปหาตระกูลนี้บ่อยๆมันเป็นธรรมชาติคนเราชอบอะไรก็อยู่ตรงนั้นอะอย่างสนามมวยเนี่ยคนชอบมวยจะไปอยู่กันเต็มเลยสนามม้าก็คนก็อยู่กันเต็มเราชอบบ้านนี้เราก็ต้องมักจะไปที่บ้านนี้บ่อยๆ ที่เป็นเหตุที่ไปแล้วจะมีโทษก็คือมักติดรถอาหารคือพอกินอาหารบ้านนี้สมัยก่อนเนี่ยรับรับรับอาหารแล้วก็ฉันในบ้านเลยก็ได้นะถ้าเขาจัดที่ไว้ให้อ่ะที่เป็นเหตุที่จะสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเข้าไปในตระกูลนั่นบ่อยๆแล้วเนี่ยก็จะมีการติดอันที่หนึ่งก็ติดในรถอาหารได้ง่ายไปสู่ตระกูลก็เพื่อไปบินทบาดใช่ หรือจะไปเรื่องเรื่องอื่นก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในที่นี้พูดถึงเรื่องว่าไปแล้วจะมักติดลดอาหารย่อมละทิ้งประโยชน์อันจะนําความสุขมาให้คือไปยินดีในลดอาหารที่เขาทาําอร่อยจะแล้วก็ไม่ไม่เอาแล้วประโยชน์อื่นๆเช่นการเจริญสมาธิกรรมาฐานหรือการเจริญนิพพสนาเนี่ยซึ่งเป็นความสุขจริงยิ่งกว่าลดอาหารก็จะทิ้งเสียเป็นอย่างนั้นจริงๆรนะิพระภิกษุที่ ที่ได้รับกิจนิมนต์แล้วไปในสถานที่ที่มีอาหารอร่อยๆบ่อยๆเนี่ยกลับมาแล้วก็มาคุยกันว่าบ้านนั่นหรือว่าที่นั่นอาหารดีอย่างนี้อย่างโน้นติดในรถเพราะนั้นนักปราชได้กล่าวการกราบไหว้และการบูชาในตระกูลทั้งหลายว่าเป็นเปลือกตมเปลือกตมคือเป็นของไม่สะอาดของสกปรก เขาจะกราบไหว้เราอย่างไรก็ตามจะบูชาเราด้วยอามิตรบูชาอย่างไรก็ตามอันนั้นเป็ดเปลือกตม้มเพราะทำให้เราติดยินดีและเป็นลูกศรที่ละเอียดถอนได้ยากลูกศรคือมันติดเข้ามาในเนื้อแล้วเนี่ยมันถอนออกยากลูกศรที่มันแหลมเนี่ยนะมันติดได้ยากท่านบอกว่าการกราบไหว้บูชานั่นแหละคือการสักการะนั่นแหละเป็นเหมือนลูกศรบุรุษบุรุษผู้เลวทรามย่อมละสักการะได้ยากยิ่ง คนที่มีกิเลสมากเนี่ยไม่ขวนขวายในการละกิเลสเนี่ยอันอันตรายของความเป็นพระภิกษุก็คือการติดลาบสักการะละได้ยากนะลาบสักการะเนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยแม้แต่พระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังเปนอันตรายเพราะว่าคล้ายๆจะไปรบกวนะมีลาบสักการะมามากเนี่ย พระอรหันต์ทั้งหลายก็ถึงไม่ติดใจแล้วไม่ยินดีแล้วหรอกแต่ว่าก็เป็นเครื่องที่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่ยินดีแล้วก็จะปรีกหนีฉะนั้นถ้าคนที่เป็นคนเลวทรามเนี่ยคือคนที่เป็นผู้มีตัณหาอันงอกงามได้ง่ายเนี่ยเมื่อได้ลาบสักการะอย่างดียิ่งเนี่ยมันจะละไม่ได้ละได้ยากแลอเกินจะติดยิ่งขึ้นไปด้วยซ้ำ ตัวอย่างก็มีอยู่มากมายนะมีอยู่มากมายทีเดียวแนละ้วเราลงจากเสนาสนะแล้วนี่ท่านกล่าวต่อนะก็เข้าไปบินทบาทยังนครเราได้เข้าไปหาบุรุษโลกเรือนผู้กำลังบริโภคอาหาร